ธรรมะใครๆก็รู้แต่ว่ารู้ตามวิญญาณจำได้ตามสัญญาเฉยๆนะ่ะมันไม่สำเร็จประโยชน์ให้เข้าใจมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาได้ต้องโน้มธรรมะนั้นเข้ามาสู่ดวงใจนี้ให้ได้ความหมายนะ ให้ธรรมะนั้นมามาซึมทราบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี่นั่นแหละธรรมะนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสออกจากดวงใจอันนี้ได้ <c oughs> เช่นอย่างอสุหะกรรมฐานอย่างนี้นะพระพท ธ, ธเจ้าก็ทรงตรัสว่ า, าเป็นเครื่องกำจัดราคะของกำหนัดยินดี ให้เบาบาง อ, อุปจากกิตใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าใครไม่น้อมสติเข้าไปเพ่งร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของโสโครกโกปลกเช่นนี้แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นคลายความรักความใคร่ต่างๆลงได้ มีแต่จะสะสมความรักความใคร่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเข้าใจว่าทีเ ด, ดเหล่านี้ไม่มีภัยต่อชีวิตหรือว่ามีภัยต่อชีวิตแต่นักบวชเท่านั้นแม้เป็นคฤหัสถ์มันก็มีภัยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยที่มันไปล่วง เกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีอยนี่ก็เพราะว่ามันสะสมความรักความใคร่นั้นเกินขอบเขตนั่นเองอ่ะมันไม่มีอุบายที่จะบรรทอนราคะตัณหานั้นให้เบาบางลงได้เลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ มีแต่หาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการมคุณนี่แค่กินแล้วก็นอนไม่ได้ทำความเพียรมาไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันมักง่ายนึกว่าเป็นตนนั้นมีความสุขสบายแล้ว ไม่ต้องไปทรมานฝึกตนให้ลำบากเดือนดั้นถึงชอบแต่นอนแม้เป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีผู้นำพายอย่างนี้นี่ส่วนมากมันก็มีแต่กอนแล้วก็นินกันอยู่นั่นแหละมันหาได้เฉลียวใจไม่ว่าไอ้ความมักกลับมักรอเ น, นี่มันเป็นภัยต่อชีวิตนะ ไม่คิดเลยคนเรานะถ้ามันไม่เป็นภัยต่อชีวิตพระาศราสดาไม่ทรงสอนหรอกไม่ทรงสอนให้พื้นกฎธรรมดาเหล่านี้ <c oughs> ก็จะทรงปล่อยให้คนนอนตามสบายไปเรื่อยไปยงั้นแหละพระองค์เจ้าทรงตรัสว่า มันเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดน ะ, ะเช่นทรงสอนไว้ในอภรณกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนันนะหนึ่งอินทรีสังวรสำรวมอินทรีหกคือระวังตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้น สองโธชเนมัตตัญโุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามสาคาริารยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดไม่เห็นแกนอนมากนะนี่ข้อปฏิบัติสามประการนี้ พระศาสดาทรงตัดว่าไม่ผิดหมายความว่าไม่ผิดทางไปสวรรค์ไม่ผิดทางไปพระนิพพานคาว่าไม่ผิดในที่นี้นะโกงกันข้ามถ้าว่าใครไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสามประการนี้ก็เป็นอันว่าคุณนันเดินทางผิดให้พึงเข้าใจ เดินทางผิดแล้วมันผิดทางไปสวรรค์ผิดทางไปพระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้นะ <c oughs> บุคคลเห็นกระแปะเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้นะไม่สํารวมท้องของตัวเองเอาแต่ความอยาก ติดรสชาติของอาหารก็ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้อย่างหนึ่งแล้วก็หาเงินทองมาได้สักก้อนหนึ่งนี่ก็ไปเที่ยวหากินอาหารอรไรๆ อ, อยู่ตามพัฒนาคารต่างๆซึ่งมีราคาแพงๆนั่นแหละคนติดรสชาติของอาหารเน่ เงินทองหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลืออืมมันก็เป็นหนทางความเสื่อมทรัพย์เสื่อมสินเสื่อมทั้งทรัพย์ภายนอกเสื่อมทั้งทรัพย์ภายในก็เมื่อไปเห็นแก่แผลแก่ปากแก่ท้องนั้นจ่ายเงินไปค่าอาหารหมดแล้วไม่เอาอะไรไปให้ทานได้ล่ะนี่นี่บุญกุศลก็ไม่ได้คนเห็นแก่ปากแก่ท้องอ่ะ ผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์อย่างนี้ไม่ <c oughs> ไม่มีสติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือว่าไม่ได้ตั้งสติอยู่ในอายตนะภายในทั้งหกนี้เมื่อเป็นชน้แลวตาไปเห็นโรคทีน่ารักน่าชังมันก็หลงลัก หลงรักหลงชังไปหูไปได้ยินเสียงที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้ที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมันก็หลงรักหลงชังไปอถ้าหาว่าขาดสติสมัมปชัญญะประครับประคองแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงมันก็หลงออกไปจากจิตนี่ต่างหากหรอกตาหูจมกูกเล้นกายนี่มันไม่ว่าอะไรมันก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเอง แต่มันไม่ว่าน่ารักน่าชังอะไรดอกตาโมนีหูเนี่ย <c oughs> ใจโน่นตางหากที่มันสำคัญผิดคิดว่าน่ารักน่าชังนะนี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละการสํารวมอินชีท่านจึงให้สอนสํารวมมอินชีนั่นนะให้มันได้ อันเมื่อสำมรวมมันอินทรีย์คือใจนั่นได้แล้วมันก็ได้หมดเลยอะิอนทรีย์คือตาหูจมูกรีงกายนี่ก็เป็นอันสำมรวมไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปมากระทบในตาเป็นต้น้วกำมาแล้วนั่นเช่นนี้นะนันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาอะไรเลย ก็จัดว่าเป็นการสำมรวมอินทรีย์ทั้งหกไปในตัวเลยแหละเพราะว่าเราจะไปห้ามตาไม่ให้ดูรูปอะไระเฉลยก็ไม่ได้จะไม่ห้ามจะไปห้ามหูไม่ให้ได้ยินเสียงจะไปห้ามจมูกไม่ให้สูกลินจะไปให้จะไปห้ามลิน้นไม่ให้กัดรับรสอาหาร ต่างๆก็ดีจะไปห้ามร่างกายนี้ไม่ให้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดกฎธรรมดาห้ามไม่ได้ดังนั้นนะพระศาสดาจึงให้สำรวมอินทรีย์นั่นแหละคือว่า เมื่อสิ่งเหล่านั้นกระทบกระทั่งมาในอายตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอย่างนั้นแล้วก็ให้มีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้เท่าอารมณ์เหล่านั้นต่างหากอย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายให้เพิ่งเข้าใจคำว่าสํารวมอินทรีย์นั่นไม่ใช่ว่าต้องให้หลับตาเลื่อยไปไปที่ไหนก็ดี ต้องเอาสมรีมาอุถูไว้ไม่ต้องให้ได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ไม่ถูกไม่ชอบแต่ว่าในพระวินัยของพระพิสุสามเณรเนี่ยเช่นในเฉกียวัฒน์ควรปฏิบัติตามแท้แหละเช่นเวลาเดินไปตามถนนทางตามที่ไหนก็ควรทอดสายตาให้ต่มลงนี่อย่าไปมองเมื่อไปทั่ว ถ้าเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็เสียจัรญามรยาทของสมณะหรือไม่ใช่ไม่ใช่สมณะก็ตามแหละมันเสียทั้งนั้นแหละเพราะว่าเดินตามทางไปอย่างนี้มองมือไปโน่นไปนี่ถ้าเห็นสิ่งใดที่ตนชอบใจแล้วก็จ่องมองตนตาตาค้างไปเลย นั่นแหละถ้าเดินไปตามถนนทางเดียวก็รถชนเอาอะนี่ความไม่สำรวมอินทรีย์ภายนอกคือตาหูจมูกร่้งกายนี่มันก็ให้โทษเหมือนกันน่ะ mm. เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้สอนในสำรวมทั้งหกเลยอ ะ, อะสำรวมในะหมายคอมีสติสปัตินี้ยอย่างหนึ่งแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ทอดสายตาลงต่ำห่างจากตัวเพียงแค่สี่ซอกแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็จึงค่อยดูจึงค่อยฟังอเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีเหตุจําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังก็ทอดสายตาลงอย่างที่ว่านั้นแหละอันนี้เป็นคุณธรรมของ นักปราดบัณฑิตทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการทำเช่นนี้การสํารวมินีอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดเลยมันเป็นอุปการะแก่สมาธิภาวนานั่นเองเนี่ย เมื่อสำรวมอินทรียได้อย่างนี้ใจไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ภายนอกที่มันกระเทากระทั่งมาเนี่ยเวลานั่งสวที่ภาวนามันก็ทำใจให้สงบลงได้ง่ายได้เพราะใจไม่ได้ยึดถือเอาอารมณ์ภายนอกนั้นมาไว้มันนึงไม่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆใจจึงสงบลงได้ง่ายนี่ การฝึกตนไม่หลับไม่นอนก่อนเวลาอันสมควรอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกตนให้ตื่นตามเวลาที่กาหนดไว้อย่างนี้นี่มันมันก็เป็นพ้นฐางความสงบเป็นไปเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ถ้าใครไม่ฝึกเรื่องการหลับการนอนแล้วไม่ได้เรื่อง ผู้นั้นยอมเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีปัญญามีแต่ง่วงแตงเงาก็เพราะเหตุว่าไปไปฝึกตนให้เป็นให้ตีนิสัยอย่างนั้นนี่อันพอมันอยากนอนมาก็ไปนอนเสียจะเป็นเวลาหัวค่ำหัวช่างถึงตอนดึกมาได้เวลา แล้วตื่นขึ้นแทนที่จะลุกไปล้างหน้าล้างตาอพอตื่นขึ้นมามันง่วงกลับนอนอีเสียอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ฝึกฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับเลยจะเป็นนัก บ, บวกก็สามเป็นฆราหัตก็ช่างถ้าใครไปมักกลับมักนอนอย่างว่านี่นะมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเลยกิเลสมันมีอยู่เท่าไรมามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละ มันจะไม่เบาบงออกไปจากกิจใจเลยนีย่เราพี่ณาดูผู้ฟังทั้งหลายอ่ะเรานับถือพระพุทธศาสนานี่นะเหตุที่เราจะนับถือก็เพราะเราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างดีเราเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเนี่ย พระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วก็จึงได้มาบรรยัติพุทธศาสนานี้ไว้ถ้าว่าพระองค์ยังไม่สามารถละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วพระองค์จะไม่มาตั้งศาสนานอย่างนี้เลยและจะไม่สอนใครอีกด้วย ลองคิดดูให้ดีการที่พระ อ, องค์ได้ทรงมีนโยบายที่ยจาริไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อทรงแสดงธรรมที่ตัสรู้แล้วนั้นน่ะก็เพราะว่าพระ อ, องค์รู้แจ้งแล้วว่าธรรมนี้ที่พระ อ, องค์จะบรรลุเป็นธรรมของจรงิงเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามคำสอนที่พระ อ, องค์แนะนำผู้นั้นสา ม, มารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ จะสามารถทนทุกข์ได้หมายความว่างั้นเลยพระองค์ได้พี่นาเห็นอย่างนี้จึงไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเตื่อยของพระองค์เลยเที่ยวเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่สุดแล้วแต่จะทรงพิจารณาเห็นุปริสัยคนหมู่ไดตั้งบ้านเรือนอยู่ทิศไหน สมพเห็นว่าคนเหล่านั้นมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรแล้วสมควรที่จะได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษอย่างนี้นะพระองค์เจ้าค่ะเสด็จไปแม้จะไกลก็ไม่ว่าก็ทรงเสด็จไปอถ้าหากว่าพราะองค์จะเสด็จไปโดยอิทธารุภภาพโดยลําพังพระองค์เองออันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอีกแหละ ธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จที่ไหนมันต้องมีพระสงฆ์สามกเป็นบริวารห้อมล้อมไปอ่านั่นแหะมันยิงถูกต้องกับผู้ยิ่งใหญ่อันนี้แหละเราได้ศึกษาได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้น่ะเราก็ปรารถนาอยากจะชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจ เพราะฉะนั้นจึงในหันหน้าเข้าสู่วัตราศาสนาเป็นครหอตัดก็ได้มาอุปถัมภ์บำรุง เ, เมื่อตอนไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถเพราะเหตุว่าเป็นครหัดนี้ย่อมมีกิจกังวลห่วงใ ย, ยมากเกี่ยวกับการํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี้เองและ เมื่อเห็นท่านผู้ใดเป็นผู้สละเคหะบ้านเลือนออกบวชบวชมาแล้วก็ตั้งเกศึกษารรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจข้อวัาปฏิบัติและวันนี้ก็เที่ยวจาริกไปสแสวงหาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่านเป็นที่สงบสงังกัดไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากละบากนิดเหนื่อยเลย โดยมานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูเป็นศาสตราของเราทั้งหลายนั่นกลัวว่าพระองค์จะได้ตัดสรู้แจ้งสรรพเยียรธรรมทั้งหลายนี่พระองค์ก็ได้เอาทุกขเป็นทุนมาก่อนเลยสู้ทุกสู้ยากปฏิบัติมาคลำหาแนทางตัสรู้สัมมาสัมปวิยานมาโดยลําดับ แต่ขั้นเมื่อบุญบารมีของพระองค์ยังไม่แก่กล้าแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดรู้ก่อนไปอย่างนั้นแล้วนั้นเรามารู้ว่าความตัดรู้หรือว่าการละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่มันเป็นความสุขอันสดใสจริงๆนี่ผู้ใดต้องการความสุขอย่างนี้นะมันถึงได้มา อบปรธรรมบำรุงท่านผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยผู้ยอมเสียสละอามิาสุขในโลกโดยประการทั้งปวงทรงไว้ซึ่งเพศกาสาวพัดที่ท่านบรญญัตว่าอุดมมเพศนั้นได้ไปจนเท่าจนแก่จนตลอดชีวิตชีวามีอยู่สมไปอ่ะเออ ทายกายิกาได้พิจารณาเห็นคุณแห่งพระสองฆ์อย่างนี้แหละก็จึงได้เคารพนับถือสักการ บ, บูชาถวายทายาทานต่างๆได้ถวายได้ด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าทําตามบอเพณีเท่านั้นนี่ว่าให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเรื่มใส จ, จริงๆ เท่าที่สังเกตดูนะทายกทายิกาทำบุญทำทานมาทุกวันนี้สแสดงถึงออกถึงความยินดีความเรื่อมใสยอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานแบบหน้าบูดมึนโดยไม่มีความพอใจในการให้ทานนั้นแต่ว่าจำใจต้องให้เพราะหมู่มากมันลากไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถ้าผู้ไดคิดอย่างนั้นการให้ทานของผู้นั้นมันก็ไม่ได้ผลสมบูรณ์เลยได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง <c oughs> อ น, นี้แหละให้พากันคิดพิจารณาดูให้ดีทั้งครึอัดทั้งนักบวชเนี่ยต่างก็ปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกมา ถ้าเป็นนักบวดก็ปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระรัตนไกลนี่เป็นนเพ่งตอนเข้าโบสถ์บวชอยู่นุงเป็นครืหัดเช่นนี้อันนี้นับวชได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระไกรสารนาคามเป็นนิพ่งอยู่เรื่อยมาแหละทำบุญนำทานนี้ไดก่อนจะให้ทานอะไรแล้วก็มีหัวหน้าทา ย, ยกนั่น อาราธนาสินห้าเสกอนหรือสินแปดแล้วแต่กรณีแล้วก็พากันรับสินจากพระไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาจึงถวายพระาหารเป็นทานหรือถวายอัฐบริขารแปดประการของพิษุอย่างนี้นะ นี่แหละเรียกว่าเราให้ด้วยความเต็มใจนะไม่มีใครบังคับบัญชาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ <c oughs> การให้ทานกรดีการรักษาสินกรดีการภาวนาก็ดีความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะน้อมเอาคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจมาล้างชำระ ชำระจิตใจนี้ให้ฟองใสสะอาดเอาทานมาล้างความโรคความตนีห่วงเห็นให้ออกไปจากจิตใจเอาศีลมาล้างความโกรธความพยายามจองเวรบีดเบียนซึนน่งกันและกันให้ห่างเหินออกไปจากจิตใจเอาภาวนามาชำระความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงนี้ให ขยายออกจากจิตใจนี่ให้ได้นั่นแหละข้อปฏิบัติทั้งสามประการเนี่ยร้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติสําหรับขัดเกลาขิเลธอันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานานแล้วนี่ยให้เบาบางออกไปเรื่อยๆให้พึงเข้าใจความหมายของข้อปฏิบัติสามประการนี้วันนี้ ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่เกียจค้านแลยแบบนี้นะอเพราะว่าตนก็มองเห็นจิตใจของตนเองเนี่ยยังวันไหวไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาอยู่ไม่ใช่ว่ามันสงบจากกิเลสตัณหาเรื่อยไปแล้วมันสงบได้แต่บางเวลาบางครั้งเท่านั้นเองนะอะ สงบได้แต่เวลาเข้าสังคมเวลาไปร่วมบาเพ็ญมุลกุศลกับมูอย่างนี้นะถ้าอยู่โดยลำพังตัวเองสงบไม่ได้เลยส่งใจคิดส้านไปจี ป, ปาถะอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติเพื่อพึ่งตัวเองให้ได้ต้องประกอบกุศลคุณงามความดี ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อคุณกุศลคุณงามความดีมันมากขึ้นไปทรายจิตใจก็นหนักแน่นเข้าไปเท่านั้นศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรายนิมกต น, นเน่นหนาเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางจะจื่จางนะคุณได้กระทำคุณงามความดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาเนะี่ยได้แก่ปณิกาปฏิปทา ข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอย่างนี้นะใครปฏิบัติตามด้วยความพอใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงๆนะมันก็จะก่อให้เกิดบุญได้ทางบุญได้ทางคูสอนเกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมนั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้ ก็โดยการที่เราไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ทำทนไม่เป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองภายในจิตใจก็ไม่แข็งกระด้างกายวาจาก็ไม่แข็งกระด้างน้อมเอาทำมาไวในคําสองอุเทเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในใจแล้วรักษาไว้ประพุทธปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทเช่นนี้เราก็สามารถที่จะ ขัดเก้ากิเลสตหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้แม้สุดองควัดก็เหมือนกันนะของพระภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนจะเป็นเครื่องขัดเก้ากิเลสตนาน้อยเบาบางออกไปจากกิตใจทั้งนั้นแม้เป็นคฤหัสน์ก็ปฏิบัติตามได้สุดองค์วัดนี่นะเลยเมื่อมันโอกาสอำนวยนะอะสุดองควัดนี่ภาษาสดาไม่ได้ทรงบัน ยรรมะไปฏิบัติไปจนตลอดชีวิตแนคะ่ว่างๆโอกาสอำนวยให้อย่างนี้ก็สมทานเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ว่าพระภิกษุสามนเณรหรือเครืองหัดแหละเราสมทานปฏิบัติเอาไว้เป็นครั้งเป็นคราวไว้ถ้าเกิดไม่ไมสะดวกแล้วก็ลาเสียก่อนลาสะดงกขาวัดไ้ก่อนยกไว้ก่อน ไปไปเมื่อโอกาสอำนวยเอาสมทานลงไปเช่นสมทานไม่นอนอย่างนี้นะอสมทานอฉันบินธบาทฉันรวมในบินในบาททั้งหมดเลยอย่างนี้นะอสมทานเอาเวงข้างเวงขาวก็ได้เมื่อหากว่ามันขัดข้องขึ้นมากดยกเลิกไปอย่างนี้ทําได้ทั้งนั้นเลย ล้วนแต่เป็นเครื่องขาดเกากิเลสตัณหาบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ <c oughs> ดังแสดงมา